สา o สิห้ารปที่สนามบินนจส ku ที่ฉันขอจองเที่ยวบินไปเอเธนค่ะฉันฉันฉันฉันฉันฉันฉันฉัน นี่เป็นเที่ยวบินที่บินตรงใช่ไหมคะยตุปริอามิเลขอที่นั่งริมหน้าต่างและไม่สูบบุหรี่ค่ะ p r o s ิมซิมิสตุปริโอคเน่เนฟายเชียรดิฉันขอยืนยันการจองค่ะฉันจะไปสม y ิทวอร์ดิท์ในทรีเซอร์วัซิคือ ดิฉันขอยกเลิกการจองค่ะดิฉันขอเปลี่ยนการจองค่ะเที่ยวบินไปโรมเที่ยวต่อไปออกกี่โมงคะ ท่ละที่ยัยัดโลียังมีที่ว่างอีกสองที่ไหมคะนไม่เรามีที่ว่างอีกเพียงหนึ่งที่เท่านั้นค่ะเนื้มุชเลนยึดหมเราจะไปถึงเมื่อไหร่คะ เราจะไปถึงที่นั่นเมื่อไรราจะไปถึงที่นั่นเมื่อไรคะเราจะไปถ u งที่นั่นเมไาจไป k ึ a ทีเมื่อางที่เมื่อไรคะเราจะไปถ a งที่นั่นเมื่อไรคะเราจะไปถึงที่นอคะเงี่รคะเป่นไางมอคะเราจไปมคะี่อระเปงคาถ่ือไรง่มคะ ยูโทวาชาตัชกานี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะยูโทวาชาบัต o ตจินะดิฉันสามารถนำกระเป๋าเดินทางไปได้เท่าไหร่คยี่สิบกิโลกรัมอะไรนะ